พระไตรปิฎกฉบับประปราชาชนเล่มที่สิบสองพระสูตรที่ยี่สิบวิตกสันฐานสูตรสูตรว่าด้วยที่ตั้งของความตรึกหรือความคิดพระผู้มีพระภาคประทับนาเจตวนารามตรัสสอนว่าภิกษุผู้ทำสมาธิประกอบอธิจิตพึงใส่ใจเครื่องหมายห้าประการอยู่เสมอคือหนึ่ง เมื่อใส่ใจถึงเครื่องหมายใดเครื่องหมายหรือนิมิตก็คืออารมณ์ที่จะให้จิตกำหนดนั่นเองถ้าใส่ใจถึงเครื่องหมายหรือนิมิตใดเกิดความคิดป่ายชั่วขึ้นให้เปลี่ยนเครื่องหมายนั้นไปสู่เครื่องหมายอื่นอันประกอบด้วยกุศลซึ่งจะเป็นเหตุให้ละความคิดป่ายชั่วทําจิตให้เป็นสมาธิได้เปรียบเหมือนนช่าง เอาลิมเนื้อละเอียดมาตอบเอาลิ่มเนื้อหยาบออกไปฉะนั้นสองเมื่อใส่ใจถึงเครื่องหมายอื่นอันประกอบด้วยกุศลความคิดฝ่ายชั่วยังเกิดขึ้นก็พึงพิจารณาโทษของความคิดฝ่ายชั่วก็จะละความคิดฝ่ายชั่วทำจิตให้เป็นสมาธิได้เปรียบเหมือนชายหนุ่มหญิงสาวที่รักสวยรักงามรังเกียจซากศพสัตว์ต่าง ที่มาคล้องอยู่ที่คอฉะนั้น 3. เมื่อพิจารณาโทษของความคิดฝ่ายชั่วเหล่านั้นความคิดฝ่ายชั่วยังเกิดขึ้นก็พึงไม่ระลึกไม่ใส่ใจความคิดฝ่ายชั่วเหล่านั้นก็จะละความคิดฝ่ายชั่วทำจิตให้เป็นสมาธิได้เปรียบเหมือนคนตาดีไม่ต้องการเห็นรูปก็หลับตาซะหรือมองไปทางอื่น สเมื่อไม่ระลึกไม่ใส่ใจความคิดฝ่ายชั่วเหล่านั้นความคิดฝ่ายชั่วยังเกิดขึ้นก็พึงใส่ใจถึงที่ตั้งแห่งเหตุของความคิดวิตะกะสังขารสันฐานะคือให้ดูว่าอะไรเป็นเหตุให้ความคิดฝ่ายชั่วเกิดขึ้นก็จะละความคิดฝ่ายชั่วทําจิตให้เป็นสมาธิได้เปรียบเหมือนคนเดินเร็วเดินช้าลงหยุด ยืนนั่งนอนสละอิรยาบทหยาบๆลงสำเร็จอิรยาบทละเอียดขึ้น 5. เมื่อใส่ใจถึงที่ตั้งแห่งเหตุของความคิดฝ่ายชั่วเหล่านั้นความคิดฝ่ายชั่วยังเกิดขึ้นก็พึงเอาฟันกดฟันเอาลิ้นกดเพดานขมขี่บีบคั้นจิตเปรียบเหมือนคนมีกำลังกว่า จับคอคนมีกำลังน้อยกว่าคมขี่บีบคั้นฉะนั้นสรุปเมื่อทำได้อย่างนี้ภิกษุนี้ก็ชื่อว่าชำนาญในทางที่เกี่ยวกับความคิดคือวิตกความตรึกประสงค์จะคิดเรื่องอะไรก็คิดได้ไม่ประสงค์จะคิดเรื่องอะไรก็ไม่คิดได้นับว่าตัดตัณหาได้คลายเครื่องรัดได้ ทำความทุกข์ให้ถึงที่สุดได้ด้วยการตรัสรู้เรื่องของจิตใจโดยชอบ